ชีวิตของเราเกิดมาจากท้องแม่อันนี้เป็นร่างกายนะที่เรียกว่าหมหาภุตารูปเกิดมาครั้งหนึ่งก็ตายครั้งหนึ่งในชาตินี้แหละประมาณสักร้อยปีเต็มที่แ ล, ละลดลงมาเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบ 50 40, 40 30อันนี้ก็แล้วแต่บุคคลละกไม่ดีตัดลอนตาดขันอยู่ยากกรมดีก็สนับส น, นุนบนคำจนห น, นส่งก็จะอยู่อยรอดปลอดภัยตามอายุไขส่วนจิตใจเป็นนามธรรม เป็นอุปทายรูปอุปทานแตกต่างกันไปท้ายสุดมันก็ส่งผลเป็นกรรมดีกรรมชั่วเราเกิดมามีกรรมก็ต้องตัดกรรมมีธรรมะก็ต้องใช้ธรรมะ มีกรรมตัดกรรมมีธรรมใช้ธรรมธรรมชาติฝ่ายบุญฝ่ายกุศลไฟายที่ทําให้เกิดความดีความสุขความฉลาดสติปัญญาเนี่ยต้องใช้เรามีกรรมตัดกรรมก็ต้องใช้ความรู้สึกตัวตัด เรามีธรรมเราจะใช้ธรรมก็ต้องมีสติปัญญาเกิดจากความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จึงเป็นทั้งตัดกรรมแล้วก็เป็นธรรมชาติที่จะมีให้เราได้ใช้เป็นตัวใช้ชีวิตจะนั่งมีความรู้สึกตัวจะเดินมีความรู้สึกตัวจะทอะรอะไร มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่ผลิตต้องผลิตสักหน่อยเจตนากระทำเรียวกว่ากรรมฐานกรรมฐานก็ยังเป็นที่ตั้งของชีวิตเราฐานกายฐานเวนาฐานจิตฐานธรรมตัวที่ทำให้เราทุกข์ควทุกข์ก็คือร่างกายของเรา ถ้ไม่เข้าใจก็เป็นก้อนทุกข์จิตใจความคิดการปรองการแต่งถ้าเราไม่เข้าใจมันก็เป็นความทุกข์ความคิดนี่ทำให้เกิดความตนันหีความคิดนี่ทําให้เกิดความเฉาลิษยาความคิดทำให้เกิดเป็นจริตนิสัยต่างๆ คิดแล้วพูดคิดแล้วทำพนางต้องกำกับมีกฎมีเกณฑ์กำหนดในความรู้สึกตัวมีสติมีปัญญาใส่ลงไปมีความตั้งมั่นมีสมาธิอันนี้ชีวิตถึงจะปลอดภัยเกิดการไม่มเบียดเบียนตัวเองเกิดการไม่มเบียดเบียนผู้อื่น มันเป็นชีวิตส่วนตัวส่วนตัวที่เราจะได้ใช้กายใช้วาจาใช้จิตใจเป็นอิสระมันอยู่เหนือกรรมเหนือกฎเหนือเกนได้ตรงนี้แหละมันจะเปลี่ยนลายกายเป็นดีเปลี่ยนพิดกายเป็นถูกมันจะเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันเป็นความรู้สึกตัวมันเป็นอายะสัพเยในของใครของเรา ตั้งแต่สมัยองค ส, สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคนพบ 2,000 ป, ปียังมีอยู่วิชากรรมฐานทั้งสมถกรรมฐานทั้งวิปัสสนากรรมฐา น, าฐานมาเป็นที่ตั้งของชีวิตของใครของเราทุกคนที่เห็นว่ามันมีประโยชน์มันเกิดประโยชน์มีศรัทธามีความเริ่มใส น้องก็มาใส่ตนมีการฝึกมีการหัดก็ต้องมีความชานาญในการที่จะใช้ใชธรรมใช้ควรธรรมต่างๆธรรมมากคือธรรมชาติเราก็จะใช้ชีวิตกับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติธรรมชาติมันมีเหตุปัจจัยมากมาย แต่เราส่วนใหญ่เราใช้แบบตามใจของเรามนุษย์จะทะเลาะ ก, กันก็มีอยู่สองสาเหตุคือหนึ่งตนีตนีนี่จะทะเลาะ ก, กันจะให้หรือไม่ให้จะเอาอะจะเอาอะจะเอาอะไม่ให้ใช่ไหมมีการข่มคูมีการบังคับมีการข่มเหงความรุ่ง มีการขัดแย้งไปในจิตใจความรักเป็นความร้ายจอมโจรเป็นจอมใจส่วนใหญ่ก็คือขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะที่เป็นไฟทำให้เกิดความไม่เสื่อมายที่พาให้พ้นทุกข์ดัการที่เรามาฝึกสติกลับมาดูตัวเองจะเห็นตัวเอง การคิดการพูดการทำเป็นการเห็นไกลเหน็นวัตถาเห็นจิตใจของเราขณะใช้ทําหน้าที่แต่ละขณะต้องเป็นหน้าที่ที่เรามีความรับผิดชอบทั้งเป็นหน้าที่ที่เราไม่ต้องทําถ้าไปทํำก็เขาเรียกว่าเสือกเราไหลก่อนก็จึงต้องกลับมา เห็นการกระทําต่างๆที่มันมีอยู่เป็นกรรมในโลกใบนี้แหละโลกมนุษย์มีสุขมีทุกข์เกิดจากการกระทําของสรรพสัตว์สรรพสิ่งโดยเพราะฝีมือมนุษย์เนี่ยจะแสดงพฤติกรรมมากมายที่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานมนุษย์มีสมองสร้างวัตถุ123่อบุคคล 1,2,3 ก็จะมีมายาสาไถใส่หน้ากาเข้าหากันจึงมีการเรียนเรื่องของจริธรรมกิริย า, ม, ย า, ามารยาต่างๆมารยาทกระตรงกันข้ามกับมาญยาไม่มีสติมันก็เป็นมาญยาสาไถมีสติเมื่อเกิดมารยาทงดงามขึ้นมาเรียกว่าศีลเมื่อใจเรามีสติเยกาย มันก็จะผลลัเป็นศีลเป็นความปกติใจิตใจที่เป็นปกติมันก็เป็นบ้านเป็นที่อยู่ชีวิตเราก็สะดวกทำอะไรเป็นความปกติเนื้อสุขเนือทุกรวยจะสุขจะทุกข์ก็ไม่แปลกอารมณ์ดีเพามีความสุขทําไมมีทุกข์มันใช่มันสุขได้ยังไง สุขมันมาคู่กับทุกทุกมันก็มาคู่กับสุขสุดตง่งเป็นของคู่ความเป็นปกติเหนือกว่าสุขก็ต้องเกิดดับทุกก็ต้องเกิดดับมาดับไปมันก็ปกติเวลาเรารู้สึกตัวมันไม่สุขไม่ทุก็กปกติเมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องเห็น ความทุกข์เกิดกับกายความทุกข์เกิดกับจิตใจถ้าหลงเข้าไปมันถึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่หลงก็เป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละนั่งปวดเป็นเรื่องธรรมดาอากาศหนาวเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติกลายน้ำอยู่น้ำเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายเรามีปัญญามีสติเกี่ยวข้องให้ถูกต้องค ว, ค, อ ค, ว ค, อ ค, ความคิดกับเปอาดีตความคิดกับปอนาคตความคิดก็เป็นปัจจุบันมีภาควิจารณ์ วิตกวิจารชาวิพาวิจาร์ก็ออกไปนอกตัวเป็นมิจฉาสมาธิวิตกวิจารเมื่อเกิดไปในตัวเราเห็นสภาพธรรมต่างๆมันเป็นการเดินทางของชีวิตออกนอกก็เป็นการเดินทางเป็นทางสามแง่อบา ย, ยภูมิ สุขติภูมิสุขโตทางสามแพ่งเนียสุขติเป็นเทวดาเป็นพรหมสุขติเป็นสะเดชานเปรตสนนลกอสุรกายมีแต่ความขัดแย้งภายในจิตใจเดี๋ยวขัดแย้งผู้อื่นด้วยกลุมนะมใบภูมิสนนโลกเปลดมีแต่ความโลภความอยากหิวอยู่เสมอ เราก็เลยเห็นช่องเห็นทางคืนสู่สภาว่าปกติให้กับจิตกระใจของเราเรียกว่ามีทำใช้ทำ ม, มีปัญญาเราก็ใช้ปัญญาแต่ปัญญาจะมีได้เราก็ต้องสร้างสติสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจะมีได้ก็ต้องขยันเคลื่อนขยันไหวแล้วก็ต้องมีการสังเกตใส่ใจลงไปมีความอดทนมีความขยนัน ที่จะเรียนรู้ต้องตื่นเช้ามาจตา้องนอนหลับไปหนึ่งวันก็จึงต้องมีาการฝึกฝนฝึกฝืนฝึกฝนอดทนอดกลั้นจนไม่ต้องฝืนไม่ต้องฝนไม่ต้องทนไม่ต้องกลั้นนันเป็นไปเองตามกฎของกรรมฐานตามกฎของธรรมชาติเกิดจริตเกิดนิสัย เกิดนิจใสเกิดสันดาลขึ้นมาแทนที่จะเป็นอันตพานมันก็เกิดนิพานภายในขึ้นมาไม่เป็นภานละเราก็ลงทุนกันมาถึงขนาดนี้ละชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการศึกษาผ่านสุขผ่านทุกผ่านมันยังรังมา น, นั่งที่วัดป่าสุกโตเราจะมา น, นั่งเฉยๆก็คงจะไม่ถูก จะเรียนโดยที่ไล้รูปแบบมันก็จะเสียเวลาเนินช้าทุกๆวิชาการมันมีหลักการหลักเกณฑ์ชัดเจนอย่างเช่นอุดมการเจ้าพุทธละชั่วทำดีชำระจิตให้ขาวรอบสัพ ป, ปาปาะะาัสปสาคะรังกุศลาสูปสมรทาสจิตตะปริโยทัปนังเอตานัสาสนังการไม่ทำบาป การทำกุศลให้ถึงพร้อมการชําระจิตของตนให้ขาวรอบเมื่อเป็นละนะักษณะหลักการที่ชัดเจนอุดมการณ์ของเจาเพื่อไม่พูดล้ายไม่กล่าวล้ายทําพันิพัณฑ์ให้แจ้งลงนะมันเป็นลักษณะของอุดมการณ์ของการมีชีวิตเลยอันนี้พระเจ้าได้ตรัสไว้กับเหล่าพระอรหันต์ทั้งเป็นสองรห้าสิบรูปที่วัดเบรุวัน ในวันเพ็ญเดือนสามวันมาค้าบูชาให้พระอาหารหันต์เหล่าพระอาหารต์ทั้งหลายไปเผยแผ่ไปกล่าวบอกกับมือยาชาทั่วๆไปที่สามารถบอกได้ว่าชีวิตเกิดมานณอลงละช่วทำดีชำระจิตเป็นหลักการเป็นหัวใจของพระศาสนา จะละชั่วใดก็ต้องมีความรู้สึกตัวจะทําดีใด้ก็ต้องมีความรู้สึกตัวจะชําระจิตใดก็ต้องมีความรู้สึกตัวเป็นทั้งความรู้สึกตัวจึงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างครอบจักรวาลเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานมันทําได้ในขณะนี้เลยขณะเดียวเนี่ยทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวมันเป็นนิพพานชิมลองที่ชิมมากตะไลแล้วก็อิ่มมาตะนั้นอิ่มบุญ ยิ่มกุศลอิ่มในการที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีปัญหาเป็นปัญญาทั้งหมดนั่นแหละทำไมเป็นปัญญาไม่เปลี่ยนรายกลายเป็นดีมันไม่เปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธมันไม่เปลี่ยนจากนะการอิจฉาริษยาเป็นเรื่องของการยินดีปลอยยินดีอนุโมทนากัน มันไม่เปลี่ยนจากการอาฆาตมากล้ายผูกพยาบาทเป็นเมตตาสงสารให้อภัยมันไม่เปลี่ยนจากความโลภเป็นการแต่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เปลี่ยนจากความไม่ทนเป็นความอดทนขึ้นมาความไม่เฉยเป็นความเฉยขึ้นมามีปัญหาเป็นปัญญามันมีหลักการชัดเจนกันฝึกสติปัญฐาสี่ เป็นหนทางเอหนทางเดียวสู่การรู้แจ้งเหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันตรงไปตรงมาเดินจงกรมนั่งร้างจังหวะตรงๆงแต่ขึ้นอยู่ว่าเราทําเป็นหรือเปล่าถ้าทําไม่เป็นก็เป็นเรื่องอื่นไปแล้ว เ, เรื่องการพอกปูนหมักหมม ม, มันจะเปียกแชะเน่าในมันยังไม่เป็นเรื่องการปล่อยการวางการเดินทาง จากหนักเป็นเบาจากหลงเป็นรู้มันจะเป็นเรื่องของกำไรชีวิตของใครของเราละธรามารู้สึกตัวถูกต้องทําเป็นแล้วก็เห็นตรงกันทุกครั้งที่จิตมันอยู่กับปัจจุบันจิตอู่ความรู้สึกตัวเบื้องต้นน่ยจนมันผ่านความรู้สึกตัวจนไม่ใยเป็นอะไรทั้งหมดนั่น ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงมก็ไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ตนแต่ว่าเราจะหลาดเลือกความรู้สึกตัวจะพาให้ฉลาดคิดฉลาดผู้ฉลาดทำฉลาดเอาตัวรอดรู้หลบเป็นปิ่นรู้หลบเป็นหนางอะไรที่ควรหยิบควรถือมาใช้ใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็วางมันก็เกิดจากจากการที่เรารู้จักเคลื่อนรู้จักปล่อยรู้จักวาง มันจะวางเป็นไม่ใช่คิดวางมันลงมือกระทำแล้วมันวางเป็นจริงๆเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุด14จังหวะนะมันรู้จักรู้มันจักรละมันจักปล่อยรู้จักวางอยู่ในนี้หนังจังหวะขณะจิตเดียวสติปัฏฐานสี่เต็มรอบขึ้นมาเห็นไกลเห็นเนื้เห็นจิตเห็นธรรมเห็นแล้วไม่ยึดเเป็นยังไง มันต้องมีบักมีหนักมีเบามีลักษณะของประสบการณ์สภาพธรรมต่างๆที่มาเป็นอาการให้เราได้สัมผัสเป็นอาการของกายอาการของใจมันก็จะเป็นเรื่องของกรรมฐานกรรมฐานนก็ทำให้เราอยู่เหนือดีเหนือชั่วทำแบบมีเจตนา เจตนาทำดีมันก็ดีเจตนาทำชั่วก็ชัว่วไม่ได้เจตนามันก็เป็นกตัถ ก, กรรมไปกรรมที่ไม่ให้ผลกรรมที่เป็นโมฆะแต่ว่ากรรมฐานนี่จะต้องใส่เจตนาลงไปมันจะได้เป็นกรรมที่ให้ผลเป็นเจตนากระทําก็จึงต้องมีการกําหนดมีการกํากับมีกรอบมีกฎมีเกณฑ์ใจเคลื่อนไหว ก็รู้สึกตัวกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวแต่ก่อนที่จะรู้ว่าจิตใจมันเคลื่อนไหวก็ไปในความคิดหลงคิดเนี่ยต้องรู้การเคลื่อนไหวของกายให้ชัดเจนก่อน ว, วัตถุรัวทำของหยาบนะถ้าทํากรรมฐานฐานกายยังไม่คล่องตัวยังไม่เป็นไม่ชัดเจนการเห็นจิตเห็นใจก็ปล่าประโยชน์แต่เห็นจิตเห็นใจชัดเจน กายเป็นวัตถุรูปธรรมก็ต้องชัดเจนแล้วเห็นกายเห็นนายเห็นจิตเห็นธรรมก็จะเป็นล่องรอยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนที่จิตใจมาเลื่อนขั้นมีพัฒนาการเรื่องการปฏิบัติธรรมกรรมฐานนั่นก็พาเดินสู่ทางเดินเป็นความสว่างสวัยแห่งสติแห่งปัญญาเป็นเรื่องภายในใจของเราตาในมันเปิดขึ้นมันก็เห็นตัวเอง ตาเนื้อตานอกเห็นกข้ไปนอกตัวเขาดีเขาไม่ดีแต่ว่าตาในมันไม่เห็นตัวเองว่าเราดีหรือเราไม่ดีมันตรงกันข้ามไม่เห็นตัวเองมันต้องเอาชนะตัวเองมันก็ไม่ได้ไปแข่งขันกับใครทํางานทําการก็ไม่ได้ไปแข่งขันกับใคร เ, เรื่องเราทําพ่อเห็นว่ามันทําได้ ทำแล้วเกิดประโยชน์สิ่งนี้คนอื่นก็ไม่ทำเราก็รู้จริงก็ทำไปรับผิดชอบทำดีทั้งวันเหมือนไม่ได้ทำอะไรเป็นความรับผิดชอบตัวเองแล้วกผู้อื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าถ้าไม่มีสติงานไม่ได้ทำแต่ว่ามันทำอะไรไม่ไหวหมดเดียวหมดแรงอยู่คนเดียวแค่คิดก็ปวดหัวแล้ว กรรมฐานนะมันเป็นลนักษณะของวิชาการที่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนมากเมื่อเราปฏิบัติลงไปมันก็เดินทางตรงไปตรงมาโอโตเบตสัมมาเจ้าพูดไว้ยังไงเราไปศึกษาดูพอเรพปฏิบัติแล้วเราไปดูตรงเป๊ะเลยอุทลนสติปัฏฐานสี่ให้เห็นกายในใกายไม่ใช่สัตวตนบุคคลเราเขา พอเรามารู้สึกตัวเราก็เห็นกายในกายจริงๆกายเนื้อเป็นดุนเป็นก้อนกายในเป็นความรู้สึกตัวทุกครั้งที่ดุลก้อนเคลื่อนไหวความรู้สึกมันก็ถูกผลิตขึ้นมาตลอดเวลาเวลาแต่เราบางทีมันเป็นความเป็นเองเราไม่รู้สึกตัวสติมันน้อยมันไม่ว่องไวมัน ร, รู้รู้ไม่ทันรู้ไม่ถูก แต่เรามาฝึกกรรมฐานหนึ่งวันสองวันหนึ่งเดือน2เดือนหนึ่งปี2ปีสาปีกี่ปีก็ตามเราก็อยู่คนเดียวแบบเปลี่ยวิเวกหันกลับมาดูตัวเองมันก็เห็นชัดเห็นกายในกายไม่ใช่สตัตว์ตนบุคคลเราเขาเห็นนิ่ชินใหม่ๆเห็นมันตื่นตาตื่นใจเหมือนเราเห็นอะไรครั้งแรกมันตื่นตาตื่นใจมันมีรสชาติเห็นดบ่อ ย, อยมันก็จืด เป็นความเจดเห็นเฉยๆรู้ซื่อพอมันเกิดการคุ้นจินขึ้นมาเห็นจะเกิดปัญญาไม่มีรสชาติถ้ามีรสชาติเป็นปิติเด็ดมันก็พาหลงอีกเป็นสุขมันก็พาหลงอีกเห็นความสงบประโยู์ความสงบมันก็พาหลงแช่อยู่ตรงนั้นก็ดีเหมือนกันถ้าทําเป็นก็ไว้พักจิตพักใจจิตใจมันจะอยู่กับความทุกข์มันอยู่ไม่ได้ต้องมาอยู่ตัวปิติเป็นความสุข บพาไปสู่ความสุขต่อเสรมสารได้เพราะฉะนั้นเวลามีความสุขอยู่ตรงไหนสมาธิจะเกิดอยู่ตรงนั้นคนชั่วมีความสุขกันทําชั่วก็ประโยชน์ความชั่วจนเป็นนิสัยบางคนมีความสุขกับความดีมันก็ไปทําดีจนเป็นนิสัยทําดีประมดแล้วมันจะกลายเป็นตัวหาดีต่อทําต่อไป ในงานมีนการกระขนขวายหางินใหม่ทําต่อไปกรรมฐานมันเงินเหนื อ, นอดีเหนือชั่วเราทํากรรมฐานมันผ่านอารมณ์มันก็มีอารมณ์ใหม่ให้เราเรียนต่อไปจากอยาบไปหาละเอียดอารมณ์หยาบหยาบก็คือกิเลสที่เป็นเรื่องของความโลภความโกรธ ค, ความหลงหยาบือเลสละเอียดมันติดจุข ยึดเอาความสุขติดในชาระดับต่างๆเป็นตัวละเอียดเราก็เห็นชัดเจนความหยาบ ก, ก็เห็นความละเอียดเราเห็นก็จึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ตาในมันสอดส่องเรียกว่าธรร ม, มวิยย ะ, ะเห็นสภาพธรรมต่างๆทั้งภายในทั้งภายนอกโยก็าหากันกเรียกว่ารูปธรรมนามธรรม ภายในก็เป็นรูปธรรมนามธรรมภายนอกก็เป็นรูปธรรมนามธรรมเป็นเรื่องของอายนะทีบสองนะก็คือลักษณะของการออกไปทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายทางใจเป็นหกคู่ใหม่ๆเราเจอหนึ่งคู่ก่อนก็คือการเคลื่อนไหวของกายพลิกมือรู้สึกตัวเดินจงครมรู้สึกตัวเนะี่ย เป็นคู่ที่หนึ่งก่อนกายยวิญญาณมีกายก็มีกายยวิญญาณสัมผัสคู่ที่หนึ่งนะเป็นของยากที่สุดจงทั้งเห็นกายเป็นรูปธรรมตากระทบรูปหูกระทบเสียงสัมผัสเป็นปัสสาทั้งหมดนั่นฟังแล้วเราก็น้อมก็มาดูเรารู้ได้มากได้น้อยแต่ละขณะแต่ละวินาที รู้รู้แบบเจตนารู้ตั้งใจรู้รู้ว่ามันรู้ของมันเองแล้วถ้าถึงขั้นรู้ด้วยตัวของตัวเองแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอัตโนมัติมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นายในจิตใจของเราเนื่อจากการฝึกหัดแล้วมันถึงทำถึงก็ถึงทำ ถ้าทำไม่ถึงมันก็ไม่ถึงทำเมื่อไม่ถึงทำมันกม็มีทำไว้ใช้ไม่มีธรรมชาติจะทําอะไรก็ทําได้อาคติทําได้ความกลัวทําได้ความบีบขั้นทําได้ความไม่รู้ทําได้ความหลงแต่พอเราฝึกจกนกระทั่งมันมีความตื่นรู้แล้วเนะี่ยเมื่อทาได้ความรู้รู้ถูกแล้วก็เบิกบานในการกระทา จะทำอะไรก็มีความเบิกบานมีความเป็นปกติเป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมดาตรงนี้แหละมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดละเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นมโนวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจหกโคนะถูกเห็นหมดเป็นความรู้สึกตัวจากยาไปหาละเอียดจนกระั่งมันเหมือนกัได้คาตอบทีเดียว ใจจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมาข้างในจะเป็นความรู้สึกว่ามีกายก็ไม่ได้มีปัญหาเพรากายมีจิตมีใจก็ไม่ได้มีปัญหาว่าจิตใจมีสมมุติไ็่ได้มีปัญหาเพาสมมุติในโลกก็จะสมมุติอะไรมันก็ถูกของเขาทั้งหมดเราก็เห็นอย่างนั้นความรู้สึกตัวมันเป็นทั้งสมมุติเป็นทั้งประมัน เราเห็นตั้งแต่เบื้อตงต้นแล้วล่ะที่เราเห็นเป็นสมมุติก็คือในรูปแบบสิบสี่ความคือสมมุติเป็นหนาสมมุติที่เกิดจากการบัญญัติของผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ท่านบัญญัติท่านรู้แล้วท่านบัญญัติเรามาเป็นผู้ที่เดินตามมาศึกษาน้อมมาใส่ตอนมาฝึกมาหัดเราก็เห็นโอ้ก็สมมุติไว้จนกระทั่งมันทําเป็น การหายใจก็เป็นความรู้สึกตัวการกระพริบตาก็เป็นความรู้สึกตัวกิจ ใ, ใจที่มันแวบไปแวบมาก็เป็นความรู้สึกตัวเราเห็นความจริงซึ่งมีทุกๆชีวิตทุกๆสรรสัตว์สัพ ส, สิ่งไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าเป็นมนุษย์มันก็มีสิ่งนี้อยู่แล้วอยู่แล้วเช่นกฎของปัไตไทรักเนี่ชัดเจนเลย ในโลกนี้ทั้งหลายทั้งปวงมาะทั้งระบบของจักรวาลต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีบวกมีลบมีขาวมีดำมีมืดมีสว่างมีเกิดมีดับมีรู้มีหลงมีอนิพานมีนิพานแต่ว่านิพานมันดีอย่างก็คือ ความเป็นปกติที่มันอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์แต่ว่าเราก็จะต้องคนกายสักหน่อยเบื้นต้นเรีว่ามีการกระทําที่มันตรงไปตรงมามีกระยาดมีสิ่งแวดล้อมมีสปายะมีการใกล้ครวนอย่างแยบคายแล้วก็เลือก ที่จะลองจุ่มตัวเองลงไปกระโดดลงไปเลยเดี๋ยวพระวิชากรรมฐานเอาจะทั่งกรรมเป็นธรร ม, ก ร, มกรรมฐานกไก่าน ก, การมามะเป็นธรรมชาติจนกระ ม, มันก็ไม่ใช่อะไรทั้งหมดนั่นนะความฝึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะเ น, นี่เป็นกรรมฐานที่เราเจตนาฝึกจนกระทั่งไม่ต้องเจตนานใหม่ๆนี่ มันจะลำบากสักนิดงต้องอาศัยพลังกลุ่มหน่อยใหม่ๆนะก็จึงมีกรรมวิธีต่างๆสถานที่ปฏิบตัติต่างๆในโลกใบนะี้เอคนไปรวมตัวกันแล้วก็มีกลยาิตรมีครูบาอาจารย์มีผู้รู้ท่านจะชีท้ทางให้เสร็จแล้วก็พากันฝึกหัดปฏิบัติหลังจากนั้นก็ค่อยๆ มารู้เป็นกลุ่มมีพลังพอก็ลองอยู่คนเดียวดูพออยู่คนเดียวแล้วก็เห็นว่าเออไอความเลือกตัวมันพัฒนามันไม่พัฒนาอย่างไรมันแช่มันนิ่งแล้วมันเดินทางอย่างไรแล้วมันหยุดมันพักเช่นบางทีมันปฏิบัติมีความสุขนะสมถะกรรมฐานถ้าตกนล่องนี่มีความสุขมากแล้วก็เป็นความสงบด้วยมันจะไม่อยากทําอะไรเลยแหละ เวลามันทำมันก็รู้ไปอยู่คนที่ไม่มีธรรมะไปอยู่กับคนทุศีลมีอยู่ในคนของคนไม่มีศีลมันก็รู้แล้วมันอยู่ในกลุ่มคนมีศีลหรือว่ามันกําลังมีศีลอยู่ในตัวของมันเองอยู่ในระหว่างคนที่ทุศีลมันก็รู้เมันจะรู้จริงๆพอเราอยู่กันวันทีเราจะรู้ว่าทุศีลหรือมีศีลอาศัยเวลาหน่อยมาเห็นชัดเจน พอมันทําได้มันก็จะมีเกณฑ์ชี้วัดนะความเป็นปกติความไม่ปกติมันจะชี้วัดเลยนะมันทัดวัดความยาวนะี่นะตลับเม็ดวัดความยาวกิโลวัดน้ําหนักกระดาษลิสมานเงียวัดกดวัดด่างือว่ามีเครื่องช่างตรงวัดอีกมากมายเหลือเกินในระบบต่างๆบารอมิเตอร์วัดความเร็วลมพวกนี้ นกนณีแกณฑชีวิตในตัวเราก็คือลักษณะของความเป็นปกติที่มันไม่สุขไม่ทุกข์มันจะวัดสุขวัดทุกข์กทันทีด้วยความรู้สึกตัวมันจะวัดเราทันทีว่าหลงหรือว่ารู้ทุกครั้งที่เราสัมผัสรู้สึกมันก็วัดอยู่แล้วว่าเรารู้ตัวอยู่ธรรมชาติที่วินความรู้สุดที่เกิดจากความรู้สึกตัวผลิตขึ้นมาความเป็นปกติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของกาย ไม่าจะเป็นกายที่ใช้รูปแบบการเดินจงกรมนั่งสร้างชัววาหรือว่าวิธีการใดๆก็ตามถ้าเราทำเป็นเราจะเห็นตรงเลยว่าทุกครั้งที่มารู้สึกตัวมันเป็นธรรมชาติตัวนึงที่บริสุทธิ์มากตัวนี้แหละมันเป็นประตูประตูของจิตใจเราที่จะเดินสู่มรรคสู่ผลพอเราเห็นกายไปเห็นกายไปดูกายไปดูกายไปเราก็เห็น ทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นมาในรูปรอยของการคิดการปรุงคิดแล้วกัดต่อดคิดแล้วตีความคิดแล้วเจ็บปวดคิดแล้วเป็นบุญคิดแล้วเป็นบาปคิดแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์หรือว่าไม่สุขไม่ทุกข์ต่างๆมันก็มีเหมือนกันเป็นความบริสุทธิ์ของจิตเราก็ได้เห็นที่ประตูของความรู้สึกตัวนี่แหละความรู้สึกตัวจึงเป็น เครื่องมือนะจึงเป็นการถอนลหัสของธรรมต่างๆจนกระทั่งเรารู้แล้วว่ากลุ่มก้อนของกุณธรรมต่างๆที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลที่เป็นลนักษณะของรูปธรรมนามธรรมที่มันสดแสดงออกมามันเป็นความเลือกตัวอย่างไรภายในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจนถึงเท้าวางศอก ยาวานาคืบเนี่ยมันจึงเป็นตัวที่เราสามารถเข้าถึงความเป็นพระเจ้าธรรมเจ้าสังฆเจ้าได้ปีนี้มีการแจกปฏิทินหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นที่นิยมกันมากแล้วก็เอามาแจกให้กับอารมาด้วย ผมเลอกมาก็ได้รับปฏิทินแล้วก็ลองเปิดของเดือนมกราดูมันมีข้อความที่เขาเขียนไว้ฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันก็ถูกเลยโยมฟังอามาพูดนะมันก็อ่านมาก็เห็นว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์อยู่นะเขาเขียนไว้เป็นลายมือของตามหาบัวที่ปฏิทินอาไว้ การที่เราอุปถากตัวเราเองนะยนั่นแหละคือการอุปถากต์พระเจ้าการที่เราดูแลตัวเราเองนะคือการที่เราดูแลพระเจ้าอะไรมันไม่ประเสริฐเลิศกว่าการดูแลตัวเองกายใจของเราเนะ่ยการที่เราดูแลกลายก็หมายถึงแล้วหนะที่ว่าตอนจะตื่นจะหลับมีสติเกี่ยวข้องกับเก้าวการของก้าให้ถูกต้อง ตัวเวลานอนก็นอนตัวเวลากินก็กินตัวเวลากลับถายกับถ่า ย, ายจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนก็เมาระวังไม่ให้มันมีภัยขึ้นมาที่ร่างกายของเรามีโรคภัยปเราแก้ไขไปหาหมอไปโรงพยาบาลจิตทมอมทาผ่าตัดนั่นแหละเรียก ว, ว่าอ้วนทากหัวเจ้าดูแลวเจ้าอะไรมันก็ไม่ประเส ร, ริฐถ้าเราดูแลตัวเองให้ดีๆมันไม่จะเรียกวเห็นแก่ตัว เห็นแก่ตัวคือดูแลตัวเองก็ยังทุกข์อยู่ดูแลตัวเองก็ยังคิดไม่ออกบอกให้ถูกไม่ได้คําตอบของชีวิตจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็ตรงไปตรงมาวิธีปฏิบัติแบบนวาโรพู้เทียนก็คือการเห็นจิตเห็นใจได้ก็คือให้มีความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้แหละประโยงไปจนเกิดลักษณะของสันที่สุขไปในจิตใจเป็นสุขเกษมสารเพระะื่อนความสุขเกษมสารเรียกวั น, นิพานนั่นแหละ มันเป็นสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์เราสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้มีกำลังมีพลังมีฤทธิ์มีเดชมีเมตตากรุณาต่างๆหยิบ ม, มาใช้โดยที่ไม่ต้องทุกข์เราก็จึงเรียกว่าเดินทางตรงตรงไปตรงมาตรงต่อความรู้สึกตัวตรงต่อสัยธรรมเ ม, มื่อมีธรรมก็เอาไว้ใช้ทม เมื่อมีกรรมเราก็ต้องตัดกรรมนีเป็นเรื่องของใครของเราเรังากนั้นชาตนี้เราก็ได้พูดในะดทำประโยชน์แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางไปยังวรยงนิดหนึ่งเพราะว่ามีพี่สะพายอยู่คนหนึ่งก่ออยู่น้อยนะไม่เยอะก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปผาาตัดเอนะิ่วในถุงน้ำดี แล้วก็หมอให้ออกจากโรงพยาบาลปรากฏว่าเช้าวันที่ให้ออกจากโรงพยาบาล น, นี่ยก็เกิดเข้าห้องน้ําแล้วตายในห้องน้ำมันก็มีการใส่ฐานว่าอาจจะไขวันอุตันเฉียบพรันแล้วก็เผาไปแล้วศพได้ร้อยวันเผาศพได้ร้อยวันแล้ววันนี้เป็นวันที่เก้าสิบเก้าพวกนี้วันที่ร้อยมีการทําบุญกัน ก็ว่าจะรวมญาติกันนิดก็ว่าอย่างนั้นนะก็เลยว่าอ้าวในฐาหน้าที่เราก็ยังใช้สกุลอยู่พระยังมีสกุลอยู่เดือนนี้ให้พระกลับมาใช้นามสกุลด้วยเราก็ยังใช้นามสกุลสังวิเศษอยู่ก็กลับไปนิดหนึ่งตามคําที่ก็ได้บอกได้เชิญก็เลว่าเดี๋ยวจะถือโอกาสเดินทางเลยดังนั้นก็ขอให้พวกเราที่อยู่ที่นี่ทุกคนทุกท่านนะก็ได้ใช้ความบืิสุทธิ์ตัว ใช้รูปแบบเป็นครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านก็มาอยู่หลวงตาคมก็อยู่อาจารย์ไพศาลก็มาอยู่อาจารย์ยุกิก็มาอยู่แต่ว่าเรายังอยู่เราก็อยู่ความรู้สึกตัวให้ใช้ความรู้สึกตัวเนป็นแล้วหนาของธรรมที่พาให้เราได้เดินทางสู่การพ้นทุกข์ก็ขอให้ได้พบเจอกับธรรมะสมควรแก่การบวชโดยทัวหน้ากันทุกท่านทุกรูปทุกนามเติน